อันหนึ่งลักษณะการให้ทักกีนาก็ต่างจากการให้สิ่งตอบแทนหรือการให้ด้วยเสน่หากันของชาวโลกกล่าวคือไม่ได้ให้ด้วยความรู้สึกผูกพันหรือเกี่ยวข้องส่วนตัวว่าท่านผู้นี้ได้ช่วยเหลือหรือได้ทำการนี้ให้แก่เราหรือว่าเราให้แล้วท่านผู้นี้จะได้ทำสิ่งนี้สิ่งนี้ให้แก่เราแต่ให้ด้วยศรัทธาในหลักหรือพลังแห่งความดีงาม ตั้งจิตสำนึกว่าเราให้แกท่านนี้ซึ่งเป็นผู้หนึ่งในหมู่สงหรือเราให้แกท่านผู้ทารงความดีงามของโลกไว้อย่างไรก็ดีทักกินัยะบุคคลนั้นจะต้องเป็นทักกินัยที่แท้คือทรงไว้ซึ่งคุณธรรมความดีงามที่ทำให้เป็นทักกินัยะบุคคลจริงดังที่จะกล่าวต่อไปผู้ใดไม่ได้เป็นทักกินัยแท้จริงท่านถือว่า ยังไม่มีสิทธิสมบูรณ์ที่จะรับทักขินาของชาวโลกมาบริโภคเช่นภิกษุ ส, สามเณรแม้จะมีความประพฤติดีงามเป็นผู้มีศีลและตั้งใจปฏิบัติธรรมแต่ตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนอยู่การที่ภิกษุ ส, สามเณร น, นั้นรับอาหารบิณฑบาตของชาวบ้านมาฉันท่านถือว่าเป็นการบริโภคอย่างเป็นหนี้คือเป็นหนี้ต่อชาวโลกควรจะเร่งปลดเปลื้องหนี้เสีย ด้วยการใส่ใจปฏิบัติธรรมให้บรรลุความเป็นทักษียะบุคคลตัวอย่างเช่นพระมหากัสสปะเทระกล่าวว่าท่านบริโภคอาหารของชาวแว่นแควนอย่างเป็นหนี้อยู่เจ็ดวันจึงได้รู้แจ้งธรรมหมายความว่าเมื่อท่านบวชแล้วก็ได้พยายามปฏิบัติธรรมแต่ก็ใช้เวลาเป็นปุถุชนอยู่ถึงเจวันจึงบรรลุอรหัตผลและจึงได้เป็นทักษียะบุคคล ผู้สมควรแก่ของที่ชาวบ้านมีศรัท ธ, ธาถวายส่วนในชั้นอัตถกถาท่านจำแนกการบริโภคของภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้รับทักกินาของชาวบ้านมาฉันและใช้สอยว่ามีสี่อย่างดังนี้พวกที่หนึ่งได้แก่ผู้ที่ทุศีลไม่มีคุณความดีสมควรแก่ภาวะของตนคงมีแต่การนุ่งห่มเป็นต้นและอาการภายนอกที่เป็นเครื่องหมายเพศบุคคลเช่นนี้ เป็นผู้ไม่มีสิทธิในทักกินาการรับทักกินามาฉันและใช้สอยของผู้เช่นนี้เรียกว่าเป็นไถยบริโภคคือบริโภคอย่างขโมยหรือแอบรักเขากินพวกที่สองคือผู้ที่มีศีลแต่เมื่อบริโภคปัจจัยศีไม่ได้พิจารณาเช่นฉันอาหารไม่พิจารณาว่าเราฉันเพียงเพื่อให้ร่างกายดารงอยู่ได้ ยังชีวิตให้เป็นไปให้มีสุขภาพเกื้อหนุนแก่การปฏิบัติธรรมไม่ใช่ฉันเพื่อโก้เก๋สนุกมัวเมาติดในรถเป็นต้นการบริโภคเช่นนี้เรียกว่าเป็นอินทรบริโภคคือบริโภคอย่างเป็นนี่แต่ถ้าบริโภคโดยพิจารณาไม่ชื่อว่าเป็นนี่ตรงนี้สังเกตได้ว่าเบากว่าในบาหลีที่ว่าตราบใดที่ยังเป็นปุถุชน ย่อมชื่อว่าบริโภคอย่างเป็นนี่พวกที่สามคือพระเสขะหรือทักกินายะบุคคลเจ็ดพวกแรกในจานวนแปดที่จะกล่าวต่อไปทักกินายะบุคคลเจ็ดพวกนี้เมื่อรับทักกินามาบริโภคการบริโภคของท่านเรียกว่าทายัตชะบริโภคแปลว่าบริโภคฐานทายาหรือมีสิทธิโดยชอบรม ในฐานะที่เป็นทายาทของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นทักกินยาบุคคลสูงสุดพวกที่สได้แก่พระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งเป็นผู้พ้นจากความเป็นทาสแห่งตัณหาแล้วเป็นผู้มีคุณความดีสมควรแก่ของถวายอย่างแท้จริงมีสิทธิสมบูรณ์ในการรับและบริโภคทักกินาการบริโภคของพระอรหันต์ท่านเรียกว่า สามิบริโภคคือบริโภคฐานเป็นเจ้าของตามที่ว่านี้สามารถสรุปได้ว่าการใช้คำว่าทักกินัยเป็นการเน้นความหมายทั้งในแง่เศรษฐกิจและสังคม